สำหรับโอกาสมีบรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประมาทานแล้วตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสนับปฏิเวทาที่จะปฏิบัติได้เข้าถึงพระอนาคามีเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาถึงตอนตัด ก, กรรมฉชันทะ ความจริงตอนนี้ถ้าจะกล่าวว่าหนักมันก็ไม่หนักสำหรับคนที่มาใหม่เรู้สึกว่าจะหนักสักหน่อยแต่ว่าคนเก่าถ้าใช้อารมณ์จริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะหนักหรือว่าความรู้ของพระโส ด, ดาบันสิทธาคามีเราผ่านกันมาแล้ว โดยเพาะ อ, อย่างยิ่งพระที่บวชมาตั้งหลายปีฟังกันมาทุกวันแล้วก็ฟังกันวันมาหลายครั้งถ้าใช้อารมณ์เป็นกุศลจริงๆหรว่าตั้งใจจริงๆว่าเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังจะตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเธตบาหานก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนัก ถ้าใช้าอารมณ์นั้นให้มันเป็นปกติสำหรับวันนี้ก็อย่าพูดถึงการตัดโทสะและก็จะสรุปเรื่องนาคามีเลยเพราะว่าเป็นของมขมมไม่ยากการศึกษามาตามลำดับไม่เช็ของหนักถ้าโดยวิธีปฏิบัติแล้วท่านมานันด้แยกันออก หลังจากที่ได้สกิทาคามีผลแล้วมิธีพิจรารณาเขาพิจรารณารวมกันเลยเพราะว่าเขาเหล่านี้เราผสมกันมาแล้วตั้งแต่อนาสกิทาคามีเป็นอนวุวาอารมณ์สําหรับอนาคามีนี้อย่าลืมว่าต้องใช้สมาธิหนักคําว่าสมาธิหนักไม่ใช่นั่งหนัก ไม่ใช่ว่าไปนะั่งตะบัน ก, กันตั้งเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่ใช่อย่างนะั้นอย่างนั้นค่เร่องโง่หนักไม่ใช่ฉ ล, ลาดหนะักคำว่าใช้สมาธิหนักก็หมายความว่าใชาา้นะาชาให้มันเปนะ็นอารมณ์เป็นปกติอย่างในด้านเอาสัสพัญญาตัดการมฉันทะ เราหห้งคนเห็นสัตว์เห็นเราหห้งเขาหห้งใครทั้งหมดมันสกปรกไปเสหมดจับประสกบการณ์ฐานให้ซึ้งใจให้มันทรงอยู่ในใจมันไม่คลายไปจากจิตความรักในเพศความปรารถนาในรูปเสียงขลิบนั้สัมผัสมันจะมาจากไหนเมื่อความปรารถนาจริงๆมันมาจากใจ ในเมื่อใจของเรามันตัดเสร็จแล้วแล้วก็อะไรไมันจะเกิดเนื่อแท้ของอารมณ์มันมีอยู่เท่านี้ท่น <c oughs> นี้มาว่ากันถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทำในจิตคาว่าปฏิฆะนี่หมายความว่าอารมณ์ที่สร้างอาการของจิตให้เกิดความไม่พอใจกระทบนิดไม่ชอบใจ กระทบหน่อยไม่ชอบใจพี่ว่าในเมื่อเราผ่านพระสกิธาคามีมาตอนนั้นจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจของเรามีอภัยภยัอภ ย, ภาย <c oughs> อาัยพัยเป็นปกติแลวมีอภัยทานเป็นปกติเราให้อภัยกับคนที่มีความผิดเว้นไปแต่ว่าผิดระเบียบภิ น, นัน ระเบียบวินัยกฎข้อบังคับนีเว้นไม่ได้ถ้าเว้นแล้วเราเป็นคนขาดเมตตาหรือ ว, ว่าจะปล่อยเ้าเร็วเกินไปนะั้นไม่ได้ถ้าเรารักเราสั่งสอนไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ก็ขับไปเสียเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำไม่ใช่ว่ามีเมตตาจิตแล้วก็เมตตากันเสีเรื่อย จะดีจะชั่วก็ไม่ตาเขาไม่ตาแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นเต่คนที่เอาดีไม่ได้เนี่ยเขาไม่เมตตากันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เมตตาเจนีวะยามวิชันะเป็นคนโหดดื้อโหดันพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้วิชันะเป็นพระโสดาสิกธาคาณาคารหัน อ ย, อ, อยากดื้อยากได้ก็ปล่อยสงเดชสั่งให้สงพุทธมณฑลพมทธันเสียไม่คบค้าสมาคมกับประชันนะในที่สุดประชันนะเคยความน้อยใจพระองค์สงเดชพรจอมไตรบรมัสสัญดานี่เคยเป็นคู่รักชาิกันมาตั้งแต่กเกิดเคยเป็นสหายกันมาตั้งแต่กเกิด เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเวลาจะออกมาหาพิเนศเสกรมก็ได้ในชนนะเป็นคนจูงม้ากันเถากันถกใ น, ก, นการกัดก็มีเราพูดเดียวเท่านั้นที่เป็นคู่หูกันมาในการก่อนเวลานี้องค์สมเด็จพระจินวนวรสั่งให้สงหลงพร ม, มทันไม่คบค้าสมาคมด้วยเกิดความน้อยใจ ในที่สุดก็ตัดอะไรในชีวิตเอาไม่เกินมาช่วยคอตายโดตทว่าการตายของวชิรณะไม่ไร้ผลเพราะอาศัยที่ตนตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปเห็นว่าไม่มีใครเขาครบเราก็ไม่ควรจะอยู่เนื้อการที่อยู่นี่มีความทุกข์นี่ก็เพราะอาศัยขันห้าเป็นปัจจัย มีความเบื่อหน่ายในขันห้าในที่สุดถ้ฉันนะก็ตายเมื่อตายแล้วเพราะอาศัยจิตที่หมดอะไรในขันห้าท่านก็ไปนิพพานอันนี้เป็นเจตียาเมตตาอนหนึ่งที่เราจะพูดกันว่าพระพุทธเจ้าไม่เมตตาเลยก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เมตตาก็มองอย่างชาวบ้านว่าคนที่ไปสายชาติคบค้าสมาคมกันมา ทำไมพระพุทธเจ้ายังได้ทรงให้สงตัดขาดจากบุคคลนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าขืนเอาใจมันจะเร็วมากเกินไปจเจ้าดีไม่ได้ก็เลยต้องไม่เอาใจปล่อยให้รู้สึกตัวเสียว่ายการประพฤติปฏิบัติแบบนั้นมันเล็วไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัด ถ้าองค์สมเด็จพระ ส, นสวนทรอาเจะรับเพราะว่ามีพระพุทธญาณพิเศษถ้ า, าท่าองสมเด็จพระบรมโรคประเทโลงโทษแบบนั้นพระชนะจะมีความรู้สึกตัวและความจริงก็เป็นชิ่นนั้นนี่เป็นว่าคำว่าไม่ตานีไม่ใช่ไปนั่งเอาใจกันดีก็ให้ หมายความว่ามือนักปกครองมือหนึ่งต้องถือไม่เรียวอีกมือหนึ่งคือขนมถ้าดีก็ให้รางวัลถ้าไม่ดีก็ลงโทษแล้วก็จะมาอ้างเหตุอ้างผลว่าเคยทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดูดูตัวอย่างมาพ่ายชนะซึ่งเป็นคู่สายช่ายกันมาแท้ๆเป็นเพื่อนเล่นกันมาต่อมาก็เป็นในสายนาทีเป็นคนสนิท ตัวท้าองค์สมเด็จพระธรรมาสามิจจะสมด็จอกสูมหาพิเนสกรมก็ได้ในฉันนะคนนี้แหละเป็นคนจูงมาออกมาแต่ทำไมสมเด็จพระบรมศาสดาจึงสั่งสงลงพุทธมณฑลถ้าจะพูดกันอย่างชา้านก็เรียกว่าไม่มีความกระตันญยูต่อเพื่อน แต่ถ้าหากว่าจะใช้ความเมตตาปราณีเพื่อนก็จะเร็วเกินไปจะมีเวทีเป็นที่ไปขอท่านหลายจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีเมื่อบวตเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงอย่าคิดว่าจะต้องมีคนเอาใจเสมอไปพระธรรมวินพระวินพระธรรมวินัย ม, มีอยู่ ถ้าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูปฏิบัติอยู่ในธรรมะละวิ น, นัยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนอกจากคนเลวเท่านั้นที่เขายะว่าแต่วาจาของคนเลวเป็นวาจาที่ไร้สมรรถภาพยิ่งกว่าสติเลชนันเราจะไปสนใจอะไรกับวาจาของคนเลวถ้าเราเชื่อคนเลวเราก็จะเลวไปด้วย เราไม่ควรจะบูชาวาจาเขาคนเลวก่อนที่จะบูชาเขาก็ดูปฏิบัติเขาเส ก, ก่อนว่าเขามีความประพฤติดีหรือมีความประพฤติเลวถ้าเรามีความประพฤติเลวยอมรับนับถือเขาคําว่าบูชาแปลว่ายอมรับนับถือเราก็เลวไปด้วย อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะตัดปฏิฆะคือความรู้สึกในใจที่ไม่พอใจเกิดขึ้นกับเราการตัดปฏิฆะความไม่ชอบใจนะมันตัดนิดเดียวตัดตามพระบาลีว่าตนาจุทยตาหนังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดอารมณ์ของเราไว้เสมออย่าไปกล่าวโทษโจทย์ความผิดของบุคคลอื่น แล้วก็จงทําใจให้แช่มชื่นดินวยนเำตาความรักในพรมวิหารกรุนนความสงสารอารมณ์จิตชื่นบานปรานาในการเกื้อกูลมีอารมณ์อ่อนโยนหมายความว่าเห็นใครเขาดีพรอยินดีด้วยแล้วก็น้อมเอาความดีที่เขาก็ทําแล้วมาประพฤติปฏิบัติ เรียกว่าลอกแบบจากความดีของเขามาใช้อุเบกขาสิ่งใดที่ไม่เกิดกับเราถ้าเป็นเหตุที่ไม่พอใจถ้าสิ่งนั้นเป็นกฎธรรมดาของโลกเราก็วางเฉยเท่านี้มันก็หมดเรื่องแต่ว่าถ้าหมดเรื่องแค่นี้นะมันก็หมดเรื่องแค่สมถภาวนา เราต้องต่ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิปัสนาภาวนาในด้านวิปัสนาภาวนานี้พอผมขอยึดอริยสัจเป็นสำคัญเพราะว่าอริยสัจนี้เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพรุทธกัลวรทรงบรรลุเองค้นคว้ามาเองพระพุทธเจ้าจะเทศที่ไหนก็ตามท่าเทศชาดก สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้ า, าจะทรงนำเอาเรื่องทานชาดกันมายกเป็นตัวอย่างแล้วกมม็ทรงสรุปด้วยอริยสัจสี่ผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าสรุปด้วยอะไรสรุปด้วยอริยสัจสี่ฉนวิปัสนาญาณผมถืออริยสัจสี่เป็นหลักอริยสัจสี่ก็คือขันห้า เรีวยกว่าวิปัสนาญาณก็มองขันห้านั่นเองแต่ว่าคำทธิบายและคําพูดจำนวนต่างกันถ้าเราฉลาดจะเห็นว่ า, าการทั้งสามอย่างนี้ไม่ต่างกันคืออริยสัจสี่ก็ดีการพิจารณากันห้าก็ดีเรีอกวิพิจารณาวิปัสนาญาณเก้า ก, ก็ดีเหมือนกันถ้าฉลาด ถ้าโงมันก็ไม่เหมือนถ้าฉลาดใช้ปัญญานิดเดียวไม่ต้องสอนกันมากมันก็เหมือนไอ้แบบเพศที่บอกว่าไม่รู้ในเก็บก็ไม่าส่มองเถอะอะไรก็ไม่รู้ยันนั่นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ไอ้คาว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่น่าจะมีมันต้องแกล้งไม่รู้เร็วทําไมเราจึงรู้ รู้จักการทำความเลวเรารู้จักถ้าเราจะรู้จักทำความดีสมั่งไม่ได้เลยเป็ น, นัันว่าเราต้องโทษใจของเราไปเสมอมองดูเลวใจไว้เป็นสำคัญย่าดูดีแล้วก็มันน้อมใจว่าไอ้ปฏิฆะความไม่ชอบใจทําให้ลมใจขุ่นโมนี้มันดีตรงไหนมันเกิดประโยชน์กับใครบ้าง มีใครคนไหนบ้างที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ที่มโหโทโสไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้คนประเภทนี้ชาวโลกพวกไหนเขานิยมคนที่จะนิยมคนพวกนี้ก็คือคนบ้าก็เพราะอาการอย่างนั้นมันเป็นอาการของคนบ้านคนดีเขาไม่ครบที่จะชอบใจกันก็จะเพราะคนบ้าเท่านั้น ในเรากนำนํามานั่งในกว่าไอ้บ้านนี่เราชอบไหมคนมโหโธ โ, โสนี่มันไร้สติสมชัญญะอย่ากจะพูดอย่ากจะดา่าอยาจะอะไรก็ว่าตามอารมณ์อย่ากจะทำชั่วทํวทาเลวทําซ้ำก็ทําตามอารมณ์ไม่ได้มองดูกําลังใจของชาวบ้านชาวเมืองไม่มีความเห็น อ, อกเห็นใจตั้งใจสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียว อย่างคนอื่นเขาสร้างเราก็ทำลายมันเสียเขาสร้างความดีแล้วก็สร้างความชั่วเขาต้องการความสงบเ้วก็ส่งเสียงรบกวนอันนี้มันเป็นอาการของความชั่วดีไหมละ่ะไม่ดีถ้าเขากวใจเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจถ้าเราไปกวนใจเขาเขาจะชอบใจไหมไม่มีใครเคารพชาเราหรอกมันเลว แล้วก็นั่งด่าตัวเองไว้ทุกวันอย่าไปชมตัวเองแล้วก็น้อมมาถึงอริยสัจควบกับมาพรมิหารสี่หรือวควบกับกสิณสี่ก็ได้ตอนนี้ต้องเล่นอริยสัจให้มากอนาคามีนี่ถ้าพวกคุณที่อริยสัจพวกคุณพังไม่มีทางความจริงอริยสัจนี่เรารู้กันมาตั้งแต่ตน เราทำกันมันแล้วเราประพฤติกันมาแล้วแต่ว่าเราไม่จำกันเองนี่ผมพูดทั้งว่าคนที่ไม่สนใจอริยสัจเป็นไงเป็นทุกตัวทุกตัวนี้เราต้องมองให้มันเห็นหนึ่งคนที่มีความโหดร้ายในจิตคนนั้นมีแต่ความทุกเห็นไหม มือไวลักขโมยเขาทุกใจเร็วคบหาสมาคมกับใครไม่ได้ยื้อย่างลูกเขาเมียเขาเราก็ทุกเพราะเขาจะล่อกระ บ, บางเขาตีหัวอย่างดีแย่เปินลน้วยก็ให้ตายไปพูดปวดมดเท็ด ไทเขาอยคบค้าสมาคมโดยคนเวลานี้ตายกันมากก็เพราะขาดสัจจะดื่มสุรามีไรเหลวเหลวเท่านั้นมองดูมุมของความเหลวกดข้อบังคับระเบียบวินัยประเพณีกฎหมายถ้าเราละเมิดมาไหลเราเหลวมานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มาจ้องมองอารมณ์ความเหลวของเรา เอาสังโยชนิเวการมานั่งอ่านนั่งดูไม่ตรงไหนหนอที่เรายังค้างอยู่หนึ่งถึงห้าเอสกายทิฏฐิเรายังมีความลหลงไหลไฟฝันให้ร่างกายของเราหรือเปล่าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังเห็นอยู่เราเลว มิจิกิจฉาความส่องสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบได้ยวยเหตุผลเราพยายามฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้บ้างหรือเปล่าเรียฝ่าฝืนคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าฝ่าฝืนเราเลวเอเมนไหเราเบียดประเพณีกฎข้อบังคับประจาถิ่น ที่เขามีอยู่เราฝา่าฝืนหรือเปล่าเรามีความท่านนงตนหรือเปล่าถ้ามีเราเลวลงความมองเลวมาให้พบสีรพรตาปรามาตรโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่อนาคามีนี่ถ้าคนทรงถึงแล้ว อารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะมีโบสถศีลเป็นประจำหรือว่าการง่ายๆจะมีศีลแปดเป็นประจำเรื่องการหิวข้าวหิวปลานี่มันไม่มีมหมดศีลแปดประจำใจเป็นปกติขึ้นมาเองโดยไม่ต้องสมาทานความดีมันปรากฏขมาเต็มที่จาไม่ดีนะ ว่าท่านที่ทรงอนาคามีผลเป็นท่านที่ทรงสินแปดเป็นปกติท่าค า, วารวะคือไม่ต้องบังคับให้ใจมารักษาสินแปดสินแปดไม่เกาะติดใจเองโปรดมันไม่ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองพระอนาคามีนี่ในเมื่อเราความโกรธมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำไมเราจริงๆต้องโกรธ อารมณ์ของเราปล่อยมันนิ่งๆไม่ได้เลยใครเขาจะดีใครเขาไม่ชั่วไม่เกี่ยวเรื่องหมู่คณะปล่อยไปเลยช่างเขาเขาพูดดีเป็นความดีของเขาเขาพูดเลวเป็นความเลวของเขาเขาทําดีเป็นความดีของเขาเขาทำเลวเป็นความเลวของเขาแต่เราสิอย่าให้มันเลวอย่างเขา คุ้มกำลังใจในได้ความดีไว้ทำใจให้มันปกติจิตเป็นสุขเราจะไม่ยอมทุกข์เพราะอารมณ์ใจเลวความสุขก็มีมาจากไหนความสุขก็มีมาจากหนึ่งเมตตาความรักกุนาความสงสารมุทุตามีชาทิเสียาไข่โอมเมา้าเฉยในเมือคขาอเลว เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการอารมณ์อย่างนี้เพราะเกรงความทุกข์ความทุกข์ที่มันจะมีมาคือมันจะพาเราเกิดอีกเราไม่ต้องการความเกิดเท่า น, นี้เองไม่อยากใจทรงอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวก็หายไอความโกลธไปไกลกระทุกระทั่งใจแล้วก็ถือเบียดเขาว่าฉ่างมันเองอยากจะเลวเองจงเลวไปแต่ผู้เดียว เราจะไม่เลวกับสิ่งด้วยหมดเรื่องเรื่องความวันนี้ขอสรุปเพราะมนง่ายไม่ยากเท่านาคามีผมเห็นมีอะไรเพาผ่านสกิทาคามีมันแล้วมันก็หมดแล้วนี่ความจริงสกิทาคามีเนี่ยถ้าผมสอนนะมันถึงอรหันแล้วนะนี่ก็มาย่ําเท้าให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้น ไม่าย่าเท่ามาันก็เสียเวลาคนฟังแล้วไ ม, มาเสียเวลาก็าเสียเวลากันเดี๋ยวจะมหาไม่บอกข้อสรุปลัดว่าเจตเราเมื่อตัดจากกิเลสเข็งสกิทาคามีแล้วจงน้อมอวตารรมคำสองสอนขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งมั่นตัดราคากิเลสให้ขาด นี่ความจริงมันก็อย่ขาดจนแล้วนี่มันร่อแร่เต็มทีแต่ใ น, นสกิทาคามีระหว่างที่จิตทรงสกิทาคามีผลไอคนสวยมันหาไม่ได้และในโลกแต่ถ้ว่าอารมณ์ข้างที่เปียนโนัสมันยังมีหมายความว่าอารมณ์ที่กำลังปกตินี่จิตสบายบาทีจิตม น, นึษยก็มันได้โอ๋นอคนนั้นดีนะ รูปนั่นดีนะเสียงนั่นดีนะกลิ่นนั่นดีนะรสนั้นดีนะไอ้พวกติโสติดชาติดสีติกลิ่นนะไอ้พวกกิเลส น, นะนักขนาดนั้นมันเป็นอารมณ์เลวไม่เป็นเรื่องทีนี้นี่เมื่อเราจะเราสัพสัญญ า, ามาตั้งอริยธาคามีเมื่อตัดไปแลว้ว <c oughs> แต่นน้มันคิดว่าถ้ายังมีอารมณ์ข้างอยู่อารมณ์ข้างก็หมายความตอนที่จิตส บ, บายเปลี่ยนอุัยเกิดขึ้นพออารมณ์สงบสงัดอารมณ์ไม่คิดขึ้มานิดหนึง่งถ้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศพอจิตขึ้นมานิดหนึง่งสติมันก็จะโผล่เข้ามาทาันกันมันจะตัดทันทีว่ามึงนี่เลวใช่แล้วเปล่า <c oughs> จงใช้คำว่าเองใช้คำว่ามึงเราต้องปราบมันพระเยสอนให้หยาบก็เชิญี่ใครอยาใจสุภาพยัวก็เชิญต้องใช้ใ ห, หนักถือว่ามันเป็นศัตรูหนักของเราใช้คำให้ในใจให้มันหนักว่ามึงไอตัวเลวนี่โผล่นหน้ามาแล้วหรอกูไม่คบหาสมาคมกับมึง รูปเสียงกีโนต์สัมผัสที่ไหนวะที่มันจะสร้างความสุขให้กับกูกูไม่คบพวกกูหลงมึงอย่างนี้กูจึงเกิดต่อจากนี้ไปมึงกับกูเลิกกันมาถึงด้านปฏิฆะก็มันอารมณ์ที่มันจะเข้าไปรบอารมณ์ที่สร้างความไม่ชอบใจแก่คนอืน่น ตอนนี้ก็โยงสร้างความรู้สึกว่าไอ้เจ้าหนี่เร็วเองจะไปนั่งโกรธชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไหมไอ้เองมันเรวเองต่างหากนี่นั่นมันเรื่องความเร็วของคนอื่นนี่ก็มึงจะมายุ่งอะไรกับกูละกูไม่เอาแล้วไอ้ความโกรธความเยี่ยมบ่ายความกท็ทบกระทั่งทำจิตให้รินโดนทำให้ไม่สบายกูไม่เอาเองมึงจงไปสิจากกู ผู้ไม่คบค้าสมาคมกับเมืองจิตเราทรงความยิ้มไม่เป็นปกติยิ้มเพราะไม่ตาความรักยิ้มเพราะกลนาความสงสารยิ้มเพราะมีเมตตาแก่จิตกุณาความมีความอ่อนโยนของจิตพร้อมยอมรับความดีของคนอื่นจิตมีอารมณ์สบายด้วยอมเมุเบกขา ที่เป็นอพยากิตคือเมียรมพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตเมียรมโปร่งจิตเมียรมสบายเพราะใจของเราหวังได้แล้วคือพระนิพพานเป็นสองแน่นอนสำหรับเราเป็นอันว่าอารมณ์พระนาคา ม, มีนี่ไม่มีอะไรเพราะว่าเราจำจี้จำชัยมัดกันตั้งแต่สกิทาคา ม, มี ถ้าถึงอ น, นาคามีมาถึงตอนนี้ยังบอกว่าหนักใจเรื่องกรามชัน้นพระหนักใจเรื่องปฏิฆะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ต้องโมทนาด้วยหนักใจก็โมทนาอยู่เกิดต่อไปก็แล้วกันมันจะได้อยู่กับความทุกข์ให้มันช้ำใจให้มีความแน่ใจว่าทุกข์มันดีขนาดไหนจงกว่าจะเบื่อมัน เป็นอันว่าสําหรับเรื่องพระอนาคามีนั้นไม่มีอะไรยากวันนี้เราก็มาว่ากันว่าถ้าจะตัดปฎิฆาตได้จิตจะต้องส่งในอารมณ์ของพมีฐานสี่ให้เป็นปกติควบ ก, กันกับอริยรสัจสี่ที่ว่าตัวไม่ชอบใจเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเพียงเท่านี้ ท่านก็อย่าสรงอารมณ์เป็นพระอนาคามีพอถึงความเป็นพระอนาคามีนี่อารมณ์จะมีความสุขมากจิตจะไม่ดิ้นรนในรูปเสียงกลิ่นรสตัอสัมผัสลองเล็กดูมีแต่ความสุขมีแต่ความสบาย ร่ังเกียในระหว่างเพศร่างกายของเราคนดีคนเองคน ด, คน ด, คนดีเราเต็มไปด้วยความรังเกียดเพราะมันสกปรกจิตใจเป็นสุขเพราะไม่มีความโกรธไม่มีความเจมบัวดมีแต่ความชุ่มชื่นโดยน่าจ ม, มิหารสี่ถ้ามีหยอกวาการยอมรับตั้งถือว่าการเกิดแก่เจ็บใจนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ อันนี้เราเหยียบย่างเข้ามาใกล้พระนิพพานแค่มือเอื้อมเรามีความพอใจท้ารบรรดาท่านอย่างหลายคำแนะนำสำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติวัาแต่เพียงเท่านี้ขอท่านอย่างหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรูล้ลม ใ, ใ, ให้ใจเข้าใจเอาใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัธยายาใส จึงขอท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรสาหรับท่านสวัสดี